เบอรมเลสมาลีาจะปฏิบัตทธรรมมากไม่ได้เข้าใจแคอย่างนี้แต่ในขณะนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นธรรมนั้นมันไม่ใช่เป็นของเก่าของเก่ของโูราณโบราณอะไรันแต่มันก็เป็นของเก่าเป็นของแก่เป็นของโบราณโบราณไน ไม่พูดอย่างนั้นไม่เป็นของเก่าและกับเป็นของเก่าเขาพูด อ, อย่างนั้นแหละสิเพอาะธรรมนั้นมันคือตัวคนนั่นเองกำลังทำกำลังพูดกาลังคิดนั่นเนี่ยคือธรรมะทำดีพูดดีคิดดีคือธรรมะถ้าทัางชั่วพูดทั่วคิดทั่วก็เป็นอาธรร เราทำวารรมวานั้นเมื่อาหนวณหเกินตาลงไปว่า เ, เป็นคนไทยไม่เป็นคนจีนเป็นคนฝรังเือเป็นคนทางกิตเป็นคนทาเรื่องการคนอเมรินคนดวนคนลาวไม่ใกล้จากัดอานั้นไม่ได้จากัดเมื่อชาติศาสนาหน้าที่ในค็ตามไม่ได้กัดอานั้นจำกัดลงที่ตัวบุคคลนั่นเอง ฝเศสก็มีโกรธชอบเหมือนกันคนไทยคนมีโกรธมีเกลียดชอบเหมือนกันคนจีนก็มีโกรธมีเกลียดมีชอบเหมือนกันทุกคนเนี่ยทุกชาตทุกภาษาทุกเพศทุกวัยก็มีโกรธมีเกลียดเช่นเดียวกันศาสนาเช่นก็มีโกรธมีเกลียดเหมือนกัน ศาสนาอิสลามก็มีโกรธมีเกียดเหมืนอนกันพระศาสนาก็ยังมีโกรมีเกียดเหมือนกันหรือจะ เ, เป็นศาสนาบึกดำบัรเช่นศ า, าสนาอาหรับหือศาสนาพิมดุงที่เราเคยพูดกันวาตระการพิมดุก็ยังมีโกรมีเกียดเหมืนอนกันนั่นแหละคือธรรมนะเราต้องศึกษาให้รู้ ให้เข้าใจความโกรธเกลียดอาฆาตลัทธิยาการ น, นั้นนั่นแหละคืออาทับมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องปัจจุบันแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจว่าโกรธเกลียดมันเป็นทุกข์เมื่อโกรธให้คนนั้นคนนี้มาโผงไปอย่างดังๆแรงๆเนี่ยไปด้วยทุกข์ อยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้ทุกทำอะไรทำกับทุกทั้งนั้นเอาทุกเป็นเจ้าบ้านเจ้าเลือหเลอไม่มีความสุขคนเราดังนั้นพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้กำหนดจำกัดลงไปว่าคนนั้นคนนี้สะสงหงเจ้าหรือเข้าวัดไม่เข้าวัดไขไขก็ตา ถ้าหากว่าเราพยายามดูการเคลื่อนการไหวหรือความคิดของเรามันนึกมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราสัมผัสมันได้แต่ว่าอารมณ์รู้เท่าทันเหตุการณ์รู้เท่าทันอารมณ์แต่ว่าไม่ให้มันมีการขัดแย้งกับใครเมื่อมีการขัดแย้งเกิดขึ้นภายใ น, ในใ จ, จิตใจเราแล้ว คนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยคนนั้นรวยคนนั้นไม่รวยคนนั้นจนคนนั้นไม่จนมันมีการขัดแย้งขึ้นภายในใจิตใจมันไม่ได้มีการขัดแย้งกับรูปกายภายนอกใช้จ็บหัวปวดท้องก็เจ็นเดียวกันจิตใจมันเป็นคนรู้ว่า ไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยใจเองมันเป็นคนพูดใจเองมันเป็นคนรู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติลงไปที่ตรงนี้ไม่ได้ไปเห็นสีแสงผีเทวดาและโลกสวรรค์จึงจะเป็นธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นการคาดเคล็ดเอาพระพุทธเจ้าท่านทมมาแล้วหลายวิธี เลื่องกับโคกับอาจารย์มาก็เป็นจำนวนมากธรรมะจริงๆนั้นคือตัวปกตินั่นเองปกติกายปกติวาจาปกติใจนั่นแห่ะคือธรรมะถ้าคิดปกติกายคิดปกติวาจาคิดปกติใจก็แสดง ว, ว่าเป็นอรับแต่เป็นธรรมะท ร, รมชั่ววันอย่างนั้นจังนั้นการศึกษาธรรมะนั้น ไม่เปลี่ยนแปงเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองเป็นคนแรกคนคนค น, คนในประเทศอินเดียนคนใดชอบก็ไปศึกษากับพระพุทธเจ้าคนใดไม่ชอบก็ไม่ชอบไปศึกษากับพระพุทธเจ้า ดังนั้นการศึกษาธรรมนั้นจึงมันมีมากมันมีหลายครูหลายอาจารย์ในประเทศอินเดียเพราะครูวิสิธรรมจารย์เป็นอุปชาผมแต่เมื่อบวทเป็นพาะหนุมในระยะอายุยี่สิบปีท่านก็เป็นอุปชาให้มาเมื่อครั้งนี้เป็นหลวงตาอังนีดก็ท่านก็เป็นอุปชายให้ท่านสอน อ่าเล่าให้ฟังว่าในประเทศอินเดียนั้นมีร้อยแปดนาทีร้อยแปดมิการร้อยแปดอาจารย์ใครชอบอาจารย์ไหนรัฐที่ใดก็ไปหาอาจารย์นั้นรัินั้นท่านเลอย่างนั้นรัที่ต่างๆนั้นสอนกันนอนเสื้อนนอนน้ำก็มีไม่นุงเสื้อไม่นุ่งผ้าก็มีจึงเข้าเรียเอาเหมือนสุนักก็มี กินน้ำพอนนอนย่างไสนอนเตี้ย น, นอนหนาวอะไรมากมายหลายเรื่องเราเคยได้ยินว่าสีผมทีเปืออะไรก็มีในประเทศอินเดียเป็นอย่างนั้นดังนั้นในเมืองไทยของเราก็เช่นเดียวกันการสอนั น, นและจะคัดจะสอนเราต้องเลือกคัดแตะหาเอาให้เป็นเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนมีปัญญา สามารถที่จะเอามาใช้ได้กับชีวิตของเราถ้าเพื่เจ้าของเราเนี่ยเดินเข้าไปศึกษาเราเรียนกับอาจารย์ต่างๆเข้าสารออกสารได้แต่มันก็ยังมีโกรธเกลียดมีดีใจมีเสียใจมีอะไรอาวรณ์คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ชอบคนนั้นชอบคนนี้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้น น, น, นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเรื่องอดีตอนาคตนั้นอย่าไปสนใจเล่าต้องพยายามให้จับความรู้สึกการเคลื่อนการไหวของรูกกายภายนอกแล้วก็ให้มีความรู้สึกความนึกควมคิดมันคิดอะไรให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจไม่ใส่รู้ เข้าไปวิภาควิจารณ์ไม่เคยรู้อย่างนั้นรู้แล้วเหมือนตัดกระแสมันคิดพบเราไม่ต้องติดกับพวกคิดํำเหมือนแมวกับหนูบ้านเรามีหนูเราไม่สามารถที่จะไล่หนูได้เอาแมวมาเลี้ยงไว้แมวมันตัวเล็กหนูตัวโตแมวมันไม่เคยกลัวหนูทั้งจากโตจะเล็กมันไม่ว่า พอดีหนูออกมาแม่มันจะคุกพอหนูตัวโตวมันตกใจมันไม่เคยให้แมวจับหนูก็วิ่งไปแม่มันไม่ยอมวางหนูมันก็ติดหนูไปเหนื่อยเพียแล้วมันก็วางหนูหนูก็ไปได้แกเราจะไปโทษแม่ว่าทําไมมึงจับหนูไม่แรงจับหนูไม่ได้จะไปโทษกันนั้น เพียงเราเอาอาหารให้แมวกินทุกวันทุกวันแมวมันกินอาหารทุกวันทุกวันแล้วมันโตรเร็วเมื่อมันโตมาเร็วๆมาแล้วถึงขนาดมันแล้วหนูตัวโตขนาดไหนก็ออกมาจะออกมาจากกลิ่โตร้อยัวก็ตามแมวมันต้องจับทั้งนั้นพอดีแมวมันจับปมกบบจางเลยหนูซอกกายทันที แมวกินหนูจึงเลือดไม่มเพราะมันตกใจจิตใจมันขาดจุดคิดมันเลยมันไม่เคยให้แมวจับอันนี้คือว่าพอดีมันคิดมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันไม่ทันเป็นอารมณ์ถ้ามันทันคิดเป็นอารมณ์เข้าไปขวักวัตต์ตักองจรวัตต์ตัสงสารเขาว่า ว, วัตต์ต สงสารยืนยาวนานสําหรับคนผู้ที่ไม่รู้ธรรมนั่นวะคารวะตาสงสารของคนผู้ที่รู้ธรรมนั่นคือยังไงวัฏฏาสงสารสำหรับคนผู้ที่รู้ธรรมนั่นมันติใจเดียวเท่านั้นเองดังนั้นคนคิดนี่พอนี้มันคิดขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่รู้มันก็กุลงเป็นเรื่องเป็นราวไป สังขาญเป็นอารมณ์ไปนั่นแหละท่านวัดวัตถสตงสารยืนยาวนานลำดับบุคคลผู้ที่ไม่รู้เราเนึกว่าตายศาสตรนี้ไปเกิดศาสนั้นตายศาสตรนั้นไปเกิดศาสตนั้นนี่อันนี้แหละมันเป็นการเข้าใจไม่ตรงแต่ความเห็นของคนมันคนละเรื่องระดับสติปัญญาไม่ เ, เหมือนกันพวกเรา มีการศึกษามีการเล่เรียนเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษานักเรียนปหนึ่งถึงปหออเรียนจากปหกแล้วเรียนมัธยมหนึ่งถึงมัธยมหเมื่อจบมัธยมหกแล้วก็ต้องเตรียมไปเรียนมหาวิทยาลายัยเมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องเป็นปริญญาตรี ปัญญาโทปัญญ า, าเอกคำว่าปัญญาเนี่เขาว่าสันปัญญาไม่ใช่สันคนไม่มีปัญญาดังนั้นเราต้องเลือกคัดจัดหาเอาที่มันตรงอยงที่หลวงพ่อพูดไม่ขาไม่ให้เชื่อพอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมา อย่าเสื่อถือเห็นว่าทำตามกันมายาเสื่อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตำลาหรือมีอยู่ในกำพี1ิบข้อด้วยกันอัปจันท์ตัดเอาไว้เราจะไปเสื้อทำไหมเสื้อคุดดังนั้นฝังแล้วเสื้อทันทีก็ไม่ได้ไม่เสื้อก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวอย่าง ฟังแล้เสื้อทันทีอย่างที่องคุลิมานเสื้ออาจารย์อาจารย์จะสอนวิสาดีๆให้ถ้าหาคนมาถึงพันคนแล้วอาจารย์จะสอนคาถาหายตัวได้ดำดินบินค น, นไดน้องคุลิมานเป็นคนใจถึงคนอยากมีจริงๆก็จะไปหา อันนั้นก็แสดงว่าฟังและเสื้อทันทีไม่ได้คุณเตอโชคดีมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปขวางหน้าไว้หรือไปแถ่ทวนกระแสขององคุลิมานไรองคุลิมานจะไปฆ่าแม่ตัวเองพอไปที่ไหนทางไหนก็คนตื่นดังเล่าลือไปว่าองคุลิมานเป็นมหาโจรฆ่าคนเป็นตั้งพันคน พระเจ้าก็าาาไปต้อนแล้วไปขวางหน้าเอาไว้องคุลิมาเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยเลิกลมคมคิดที่จะฆ่าเมือตัวเองก็จะไปฆ่ า, าพระพุทธเจ้าเพราะที่เห็นพระพุทธเจ้าก็ดับตา บ, บิ่งเข้าไปห า, าพาระพุทธเจ้าแลนไปบ้านหลงพอไ้ว่าแลนไปและจะหาพระพุทธเจ้าพระพทุพทธเจ้าท่านก็เวยเดินไปเดินไป องคุิมานวิ่งไปไวิ่งเหนื่อยแล้วก็ถามสมณะโฮโดมไม่กลัวใจจะวิ่งไปทำไมจะเดินไปทำไมพูดทำไมพระพุทาเจ้าของเราเนี่ยบเลยเราไม่ได้วิ่งเราไม่ไดเดินองคุณมานก็บอกว่าทำไมไม่ได้วิ่งทำไมไม่ไดเดินอย่ากโกหกเราไม่โกหกเราไม่ได้วิ่งเราไม่ไดเดิน องคุริมาคนเดียววิ่งเดินดกกไม่โกหกเลยไม่โกหกเราหยุดแล้วหยุดทำไมเดินอยู่ที่ตรงนั้นเราหยุดการทำชั่วหยุดการพูดชั่วหยุดการคิดชั่วพูดเท่านั้นเององคุริมาก็เลยเกิดได้ผมคิดขึ้นมาเอานี่เราทำชั่วแล้วนี่เราพูดชั่วแล้วนี่เราคิดชั่วแล้วนี่หาคน องคุณวานก็จะหยุดคบคิดได้เนี่ยอันนี้เลยคืว่าหยุดคมคิดใครได้ถ้าหยุดคนคิดไม่ได้เขาเรียกวัดตะสงสารมีง ย, ยาวนานสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำวัดตะสงสารสําหรับบุคคลผู้ที่รู้ทำก็เดียวเท่านั้นเองหยุดได้อันนี้แสดงว่าการฟังทำมานั้งฟังแล้วจะเชื้อทันทีไม่ได้ ฟังแล้วไม่เชื่อถือก็ไม่ได้มันมีตัวอย่างฟังแล้วไม่เชื่อก็อยากอุปการศึกวคนหนึ่งสเสาะงขหาพระพุทธเจ้าต้องการทำมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตัดระรูออกมาใหม่ๆจะไปปลดพวกปัญจวคีเดิน ม, มาเข้ามาพบนักบวชคนนี้แหลคนแรกที่สุดที่ออกาถามอุปการศึีวค น, นนี้แหละ พอดีเจอพระพุทธเจ้าเาับก็พระพุทเจ้ามีกิริยามารยาทหน้าตาแท่งขามือเท้าสวยงามดีเดินไปละมัดระวั ง, งนี่อยนก็ถามท่านอยู่สัตนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์ของท่านสอนธรรมะหมดไหนหน้าเหลือมใสหน่านั่ถือนี่ถามพระพุทธเจ้า พระรยาคนตอบเขาให้ว่าเราไม่ได้เป็นจิตของไข่ไม่ดุนสนักไหนไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์เรารู้เองเห็นเอง เ, องเองข้าใจเองตัดกลูโดยชอบพูดอย่า ง, ง, งานี้สักพอดีพูดให้ฟังถามคนนั้นก็ไม่เชือเลยเพราะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังคนพูดอย่างนี้แหลกดุนให้ขันหลังให้คนไม่มีครูไม่มีอาจารย์ จะรู้ได้ยังไงนี่เขาใจอย่า ง, าางดังนั้นใครจะรู้แทนเราไม่ได้ยังญาติโยมหรือเพื่อนทิ่สูงสรมเนธผาสงองค์เจ้าฟังผมพูดอยู่เดี๋ยวนี้หรือฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะ น, นี้ท่านดู้คมคิดของท่านหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อไม่เห็นคมคิดของท่านหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อรู้คมคิดของหลวงพ่อคนอื่นจะเห็นจะรู้ดีเหนือตัวเอง รู้ตัวเองไม่ได้ดังนั้นคนโบราณท่านจึงสอนว่าตำแหน่แผ่ทีล่ลี้ลับอยู่ที่ไหนกวต า, ามคนอื่นจะรู้ดีกว่าตัวเราไม่ได้ตัวเราเองรู้ดีกว่าคนอื่นทั้งนั้นแต่ท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติทำมากก่าตัวเราเองเป็นคนรู้ตัวเราเองเป็นคนเห็นตัวเราเองเป็นคนเข้าใจท่านเรว่าอารมณ์ คำว่าอารมณ์เนี่ยเราให้รู้จักว่าอารมณ์คือมันนึกมันคิดนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์ถ้าหากว่าเราไม่มีอารมณ์มันคิดเราก็เห็นมันคิดเราก็รู้อันนี้แหละเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมมันธรรมะแบบนี้นั่นน่ะมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามันเป็นธรรมชาติไม่เป็นของใครไม่ใช่เป็นของเจ็ดไม่ใช่เป็นของจีน ลันจะเป็นของคนไทย่นของทุกคนเป็นธรรมะประจำาราบเรียกว่าธรรมะสาคลปฏิบัติได้ทุกคนอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติทำไมปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาแก้การขัดแยง้งแก้ความสับสนวุ่นวายแก้ทุกแก้เซ็งจะว่าอย่างไรก็ได้เพราะมันมีการขัดแย้งอยู่ในจิตใจของเรา เมื่อเรามีการขัดแย้งอยู่ภายในจิตใจของเราแลว้วก็ว่าคนนั้นทำผิดคนนี้ทำถูกคนนั้นทำดีคนนี้ทำไม่ดีมันเกิดการขัดแย้งอยู่ภายในจิตใจเราเองไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ไม่รู้ว่าใครเป็นสิทธิ์ผู้ทำผิดลูกสิทธิ์ทำผิดผู้ทำถูกลูกสิทธิ์ทำถูกเอ๊ะมันอย่างเหรอเพราะมันมีการขัดแย้งยในตัวมันเอง อันนั้นแหละทรานวัดคุกดังนั้นคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่จะไปเชื่อว่าครูบาอาจารย์ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ต้องเชื่ออย่างนั้นผมเคยเชื่อมาแล้วเคยทำมาแล้วกับครูกับอาจารย์ครูอาจารย์สอนธรรมะมันต้องเป็นอย่างนั้นธรรมะมันต้องเป็นอย่างนี้นีรรมมนนน่นั่งภาวนา ธรรมะต้องเข้าในรูจะมูกหรือเข้ามาทางรูหูหรือเข้ามาทางไหนก็ตามาก็ยังนั้นหรือเห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรนกเห็นสวรรค์แม้จะมีปัญญานักเม็ดหินเม็ดทายในท่อมหาสมุทรทะเลแล้วพบทุกเม็ดกอตามดีอยู่แล้วอันที่มันเห็นมันเป็นสิ่งหรือนั้นก็ดีอยู่แล้วแต่มันแก้ปัญหา ตัวเองไม่ได้แก้การขัดแย้งตัวเองไม่ได้เมื่อแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้การขัดแย้งโผลตัวเองไม่ได้มันก็มีปัญหามันก็มีการขัดแย้งขึ้นภายในสังคมเมื่อมีปัญหาในการขัดแย้งเกิดขึ้นภายในสังคมแล้วนั่นแหละทำให้ปัญหาเกิดขึ้นให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นสับสนวุ่นวาย เราไม่เคยดูจิต ด, ดูใจไม่เคยดูความนึกความคิดของเราท่านเรียกว่าวัฏฏะสงสารยืนยาวนานสำหรับุคคผู้ที่ไม่รู้ธรรมคนที่รู้ธรรมมันคิดเห็นปุ๊บตัดกระแสของคนคิดตัดกระแสของวัฏฏะเพราะคนคิดมันเป็นวัฏฏะอยู่แล้วถ้าอย่าวัฏฏะสงสารมันเป็นอย่างนนั้ ดังนั้นการตัดคนคิดนั้นมันจึงมีประโยชน์มีค่ามีคุณมากเธอทําได้ทุกคนดังนั้นธรรมะนั้นจยากเข้าวัดก็ได้ไม่เข้าวัดก็ได้จะบทเป็นภาพเป็นเด็กก็ได้ไม่จ้องบทเป็นภาพเป็นเด็กก็ได้จะรักสิ่ก็ได้ไม่รักสิ่ก็ได้มันจริงว่าเหนือทุกจริงทุกอย่างคือธรรมะเมื่อเห็นเมื่อเป็นเมื่อมีอย่างอีกหลายคนนั้นมันจึิงว่า จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจผ่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นท่านเลยว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าแต่จิตใจอันนั้นมันก็มีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท้าอย่งสอนคนที่ไม่รู้ให้เขารู้สอนคนที่มีทุก ให้เขาไม่มีทุกซ้อนคนที่ยั ง, งโง่ไว้ก็ได้ให้เขาสลาดขึ้นมาไม่ใช่จะไปสอนคนที่ยั ง, งโง่ให้มันงโง่ดับดานลงไปไม่ใช่ว่าสอนคนที่มีทุกให้เขาทุกลงไปไม่ใช่จะสอนคนที่ทําผิดให้เขาทําผิดลงไปไม่ได้คิดแาบนั้นดังนั้นพวกเรามาที่นี่มาปฏิบับิธรรมก็ตามมาฟังก็ตาม ว่าอะไรก็ตามตั้งจิตตั้งใจให้มีความรู้สึกตัวมารู้สึกตัวการเคือนการไหวภายนอกเช่นกำมือเหยียดมือพลิกมือขวมมือเดินหน้าถอยหลังอย่างมีคนอื่นมองเห็นเช่นคิดตาหายใจมีคนอื่นมองเห็นแต่จิตใจที่มันนึกมันคิดนั้นคนอื่นไม่เห็น แต่ตัวเองก็ยิ่งไม่เห็นยิ่งไม่รู้ยิ่งไม่เข้าใจท่านว่าเป็นคนหลงตนลืมตัวคนหลงตนลืมตัวนี้ถ้าจะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วท่านว่าเพราะมันทำผิดพูดผิดคิดผิดนั่นเองคนได้รู้ตัวตื่นตัวรู้ใจตื่นใจรู้ความคิดของเรามันนึกมันคิด คนรักษาศีลจริ้นเก ย, ยุกว่ากผ้ า, าหักยังไม่รู้ความคิดของตัวเองไม่เข้าใจความคิดของตัวเองนั่นก็ห่างไกลจากาพระคุณเจ้าห่างไกลจากศาสนาในทางตรงกันขา้ามข้าคนใดไม่เข้าวัญไม่รักษาศีลไม่จิ้เกย์ไม่อะไรก็าาตามแก่รู้ความคิดเข้าใจความคิดหยุดคนคิด ใัว่างว่าไม่ใช่จิตใจเศร้าหมองไม่ใช่จิตใจขุ่นมัวไม่ใช่จิตใจสุกพกอันนั้นมันผิดปกติไปแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนรู้จักปกติเมื่อรู้เห็นปกติแล้วเข้าใจปกติแล้วนั่นแหละคนมีสิ้นสิ้นจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยากสมาธิจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างคางปัญญา เครื่อกำจัด ก, กิเลสย่างละเอียดกิเลสย่างยาคืออะไรพูดตามภาษาที่บานของเคือโทสะโมหะโลภะนีเองกิเลอย่างยาขั้นต่อไปก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานมีเท่านั้นเองเมื่อโทสะโมหะโลภะลดน้อยเบาบางลงไปกิเลสตัณหาอุปาทาน น้อยเบาบางลงไปสิ่งก็มีแล้วปรากฏขึ้นมาเองเพราะกิเลสเหล่านี้ลดน้อยถอยไปหรือบอบางไปแล้วสิ่งเหล่านี้จึงปรากฏขึ้นมาดังนั้นสิ่งสิ่ง น, นั่นเียก่ปกติเราควรศึกษาและควรปฏิบัติให้รู้คําว่าปกตินี่เองไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเพราะมันมีอยู่แล้วเรียกว่าปกติกาย ปกติวาา่าจ่าปกติใจตัวปกตินั่นแหละคือไม่ต้องทำอะไรกับมมนมันมีแล้วในคนทุกคนนั้นแหละคือทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าคือปกตินั่นเองดังนั้นควรศึกษาและควรปฏิบัติให้รู้ตัวปกตินี่นเองคนมี่ผิดปกติไปทางดีกว่าันงทั่วก็ตามเขาเรียกผิดปกติ คนผิดปกตินั้นท่านเรียกว่าบ้าเป็นอย่างนั้นดีใจสุขขีดเสียใจสุขขีดท่านว่าบ้าทางนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านอย่ะไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นปกติการทําการพูดการคิดทําไปตามหน้าที่พูดไปตามหน้าที่แม้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าทำงานยิ่งมากกว่าบุคคลคนธรรมดาเพราะท่านมีปกตินี้เอง ถ้าจะพูดไปให้กวงๆทั้งกลุ่นเป็นนิพพานก็ได้เป็นเท่ารหันก็ได้อันควบปกตินี้เพราะมันสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกอย่างในตัวไม่ใช่จะไปรู้คนนั้นไม่ใช่จะไปรู้คนนี้ไม่ใช่จะไปรู้ดวงทิศดวงจันทร์ที่ไหนกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเอามาใส่หูหองกับชีวิตของเรา ชีวิตของเรามันมีค่ามากที่สุดมีค่ามากที่สุดซื้อไม่ได้ขายไม่ได้เป็นทําคุนมากๆห ม, มือดเงินเป็นล้านโกดเป็นไหมโกดติดถ้าโกดเป็นแล้วมันจะได้ไปเรื่องอะไรแต่นั้นโกดีหมดนานๆนนนนโกดเป็นไหมโกดเป็นถ้าโกดเป็นแล้วมันจะได้เรื่องอะไรแต่มันโกดีอันนั้นเรียสมมติท่านจึงศึกษาให้รู้สมมติบัญ ไม่รู้จริงๆมันสมมุติพูดกันขึ้นมามันเป็นจริงๆโดยสมมติยิงโดยปรามจริงโดยไอ้ทันสอนอย่างนั้นที่ผมหรือหลวงพอ่อได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเกอนจิตสติใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรในเวลาแล้ว ไม่ได้มีประจุมันไม่มีค่ามันไม่มีคุณอะไรกันดังนั้นวิธีปฏิบัตธรรมะที่ผมหรืออาตมาจะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้มันเป็นธรรมะพุใจเดียวมันเป็นธรรมะที่จะเอาไปใส่กับชีวิตของเราได้มันจึงไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งหมด มันไม่ขึ้นอยู่กับตำรับตําลามันไม่ขึ้นอยู่กับครูอาจารย์มันขึ้นอยู่กับตัวการกระทําหรือวิธีทำเท่านั้นเองการกระทําวิธีทำนั้นไม่เหมือนกับที่เราเคยเข้าใจว่าต้องไปทำกรรมฐานไปนั่งสมาธิแบบนั้นไปนั่งสมาธิแบบนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นดีแล้วที่ ตัวของผมตัวของอาตมาเคยทํามาแล้วสิ่งเหล่านั้นนั่งหลับตาหัดสมาธิเพ็รภาวนาพุโทโธหายใจเข้าหายใจออกทามาแล้วมันก็ดีแต่มันไม่ดีเพราะว่าเราไม่มองเห็นอะไรโดยมากคนไปนั่งสมาธิต่อไปหลับตาหาว่าเป็นน้ำลืนตา มันยังบอกแวกมันจิไม่สงบนะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็ไปเจาะเอาลูกตาแล้วออกเสียไม่ต้องให้มันมีลูกตามันจะดีกว่ามันจะไม่ได้มองเห็นอะไรแต่จิตใจนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกตามันนึกมันคิด ของภายนอกนี่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นเราไม่เคยรู้ดังนั้นจึงวับมาศึกษาที่ตัวจริงของมันเป็นธรรมชาติศึกษาธรรมะธรรมศาต์ของมันจริงจิจริ ง, รงมีวิธีทามีวิธีสร้างจังหวะขึ้นพิกมือขึ้น สดือของเรารู้สึกตัวเลื่อนมือขึ้นที่สะดือมาไวท้ทีหน้า อ, อกรู้สึกตัวเอามือออกจากหน้า อ, อกไปไว้ตรงข้างรู้สึกตัวลดมือลงที่ขาเราหรือเอาไว้ที่ไหนก็ตามเลยถึงที่เราค่ะรู้สึกห่วงลงทํากันอยดีจังนั้น <c oughs> เรื่องนี้ไม่นานถ้าทําจริงทําจริงแล้ว คือ3สามปีเพราะในตารามีอยู่ว่า <c oughs> ผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่กันไว้นนะ มีอาเนสงสองออกกาศหรือเป็นพระอรหันได้ในปัจจุบันชาตินี้หรือพกนี้ทันวันจังหวัดสองถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันก็ต้องได้เป็นพระนาคามีแน่นอนที่สุดทันวัจังหวัดแต่ทีนี้ไม่ต้องเป็นพระอรหัน์ไม่ต้องเป็นพระนาคามี ไปเรื่องสวรรค์คิดไปเรื่องมิพานเราคิดไปอย่างอันสวรรค์มิพานนั้นมันอยู่ในกามือของเรานีเองถ้ า, าเราไม่รู้จะเรียกว่าสวรรค์มันก็ไม่รู้จะเรียกว่ามิพานมันก็ไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วมันเอื้อมมือเดียวเท่านั้นเองเพราะมันอยู่ในตัวเราคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอก ในใจอานนิพานก็อยู่ที่ใจเนี่ยมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นเมื่อใดจิตใจหมกมุ่นปดหูมักดองอยู่กับสิ่งที่โสโครกจิตใจเศราหมองจิตใจปดหูจิต ใ, ใจง้อยแง่จิตใจคุณนมัวจิตใจเสยสาในขณะนั้นเรียกว่าจิตใจเป็นทุกข์ จิตใจผิดปกติท่านสอนให้เรารู้อย่างนี้อันนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนหรือเป็นหน้าที่ของสัตว์แต่หน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นคนแต่จิตใจมันทำเป็นได้เหมือนสัตว์เป็นอย่างนั้นดังนั้นสัตว์กับคนมันจึงอยู่ในตระกูลเดียวกันสวรรค์กับนรกมันอยู่ในตระกูลเดียวกัน เรียว่าโล ก, กิยธรรมโลกอุตรธรรมก็ได้สวรรค์วิถีนานก็ได้แล้วแต่จะสมมุติพูดขึ้นมาให้มันรู้เรื่องประธานิตสวรรค์กับนิถีานมันไปสายเดียวกันสวรรค์คือเราอย่าไกลห่างไครจากนิถีานแต่มันจะไ ป, ไปวิถีานแล้ไปติดวิธีนั้นไปติดวิธีนี้ เราไม่ตั้งใจเดินไปหานิพพานเอาสมมุติกันไปได้เราอยู่บ้านเราเราจะเดินทางไปจังหวัดไหนก็ตามเราไม่ตั้งใจเราจะไปแวะที่นั่นไปแวะที่นี่ผลที่สุดไม่ถึงจังหวัดนั้นเขาเรียกว่าเอาื้อโลกียธรรมแต่ตั้งใจไปแต่ไม่ไปไม่ถึงเขาเอาืโลกียธรรมคือตั้งใจทำกา ร, รทำงานอะไรก็ ว่าจะทําให้มันเสร็จมันทําไม่เสร็จนั่นเขาเรียกว่าโลคีญาทัพบัดนี้คนหนึ่งตั้งใจว่าจะไปอําเภอนั้นตาบลนี้นี่จังหวัดนั้นจังหวัดตั้งใจลงเพือใหเราไปไปให้ถึงจังหวัดนั้นอําเภอนี้ตําบล น, นั้นตาบล น, นี้เห็นคููคนหลักนะัะจิตจิตก็ทําการงาน ไตยทางหรืยว่าโลกุตละธรรมวจะว่านิพานก็ได้มันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจในคำพูดคำสอนเหล่านั้นเพราะมันเป็นศัพท์เป็นแสงคำพูดของคนอินเดียมันไม่ไดเป็นคำพูดของคนไทยแต่คนไทยแ ท, ยแ ท, ยแทย้อย่างที่ผมหรือหลูงพ่อพูดนี่ก็ยังไม่เข้าใจบางคนพูดให้ ที่เราเคยทำบุญเคยอุทิศ อยู่แล้วไ่ว่าเสยเมันคิดขึ้นมาเราก็ทำความรู้สึกตัวรู้สึกใหญ่ควคิดมันถูกหยุดไปเองมันก็เสยเหลักษณะเฉยเนยในธรรมะเป็นกติปกติมันมีอยู่ดังนั้นทุกคนอันเฉยเสนี่ผู้หญิงก็มีเสยเผู้ชายก็มีเสยเสยสงฆ์องค์เจ้าก็มีเสยเสย ขคนแก่ก็มีเสรยเสรยคนหนุมคนสาวก็มีเสรยเสรยลักษณะเสรยเสรยแต่ทนะันเดียวว่าข้าพูด ไปเป็นนง่งเขา เหมือนกับกระแสน้ําเหมือนกับกระแสน้ําเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพระเจ้าอ่อนที่จะได้ตัดกระดูดจับเอาถาดหรือขันนางสุสดาเอาเข้าไปถวายพระพุทเจ้านึกว่าเป็นเทวดาอระริเจ้าได้จึงเข้าในขันของนางสุสดาแล้วถามนางสุสดาวา่า จะถวายทั้งหมดฐานนางสุดสดาน้งสุดสดาก็บรรถวายทั้งหมดไม่เอาอะไรกลับคืนเลยพระองค์ก็จับขาดหรือขันอันนั้นแหละลงไปริมแม่นม้ําออก็ไปนั่งอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้ตัดกรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายขายกิเลสหนุนเขาชนะ นาำนี้ให้ถาดและขันใบนี้แหละทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้าโน้นเหมือนในทางตรงกันข้ามถ้าหากยังไมไ่ตัดสู้ไม่ได้เป็นขพุจเจ้าขากิเลสไม่ตายขายกิเลสไม่หลุดเอาะนทุกไปได้วางถานและขันใบนี้ตลงไปบนผิวน้ำนี้ให้มันไหลไปตามกระแสของน้ํำมาอย่างนั้นเขาดีพูดจบแล้วก็เลย วางทาดขันอันนั้นลงไปทาดขันอันนั้นก็จะทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำก็ไปจมลงที่ตรงกรนาคนอนหลับอยู่ไปซ้อนเข้าเป็นมอนให้กระนาคนอนอันนั้นมัน this Really? Right.